ก็าบนมัสการงค่ะหลวงตาเมื่อคืนโยมกลับไปจากนี่ไปไปเดินจงกรมทีนี้ก็เอาธุรศัพท์ที่หลวงตาส่งไฟเปิดใส่กระเป๋าเนี่ยแล้วก็ฟังไปด้วย ระหว่างเดินอะมาดูโยมมีสิ่งหนึ่งที่มันแจกเข้ามาในจิตบอกว่าไอ้ที่รักอะอย่าอย่าเอาเอาไอ้ทีเกียดประมาณนี้ น, นีมันเหมือนจิตมันเลือกข้างหรือเปล่าไม่ทราบลงตาก็ยังว่าโยมปฏิบัติอะไรผิดหรือเปล่าอืม พอไม่ได้เอาเอาพุทธโธเอาเวลาเดินจงกรมละพุทธโธแล้วมาฟังไฟลวงตาฟังไปด้วยก็เดินพิณาในไฟที่ลวงตาส่งไปก็มันมันในจิตมันก็มีอย่างหนึ่งผุดขึ้นมาว่าเอาสิ่งที่เกียดที่รับอย่าเอาอ่อไม่รู้โยมปฏิบัติอะไรผิดหรือเปล่าไม่ทราบกันเด็ก็มาสอนทางก็มาสอนว่าปฏิบัติผิดเนี่ย คือปฏิบัติมุ่งแต่จะเอาที่ตัเองที่ชอบมุงปฏิบัติจะจะไปเอาไอ้ที่ตัวเองชอบแต่ไอ้ต้นที่เกียดแบบเราปิดบางมันไว้แล้วเราก็ไม่ชอบมันพยายามที่หลนผักใสค่แม้แต่เราบริกรมก ร, กรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธเพื่อฆ่าความคิดปรุงแต่งอย่างอื่นหมดให้ใจมันนิ่งเงียบค่ะอันเนี้ยเราไปเราเอาเราเกียด ทำก็เลยให้มันลักเราข้างฝ่ายที่เราเกีย ด, ดยนะี่ไงเาะมันตกกันข้ามเราลักข้างที่เราเกียดได้เราก็จะไม่เกียดไม่ชั ง, งเราก็จะรักทั้งข้างที่เราเกียดและรักลักข้างที่เราลักมันก็จะไม่มีเกียดไม่มีรักคือรักทั้งสองฝ่ายเหมือนอย่างที่ลูกศิษย์หลวงปู่ทาจะลุธสมที่ว่า เคยปฏิบัติจนจนจิตขั้นสงบลึกละเอียดมากเลยแล้วต่อมามาปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้ก็มโหแล้วหงุดหงิดลำคาญมากดิ้นรนพยาพยามจะให้มันสงบอย่างเกา่าทํำยังไงก็ทําไม่ได้มีเลยหงุดหงิดลำคาญมากดิ้นรนละมุกอยู่ตลอดเวลามโหตัวเองไม่สามารถปฏิบัติให้สงบอย่างเก่าได้ หงตหิจะเป็นเดือนๆ น, นี่ี่ยจะไปพบหลวงปู่ทาจจรุธมโมนเนี่ยพอเจอหน้าท่านท่านก็บอกว่าสงบก็เอาไม่สงบก็เอาเอามาทางนั้นแหละพุทธสงศายิสานแค่นั่นแหละใจของท่านกม็มีความทุกข์กับความที่อยากได้จิตสงบก็หมดไปเลยก็แบบเดียวกันที่ทามาปรากฏเนี่ยคือเราไปรังเกียจจิตที่ไม่สงบ เราเปลรังเกียจความคิดปรงแต่งก็เป็นแบบเดียวกันที่หลวงูุทาว่าทําก็เลยให้มานี่แนะให้มาชอบไปสิ่งที่เราเกียดนี่แนะอย่าไปชอบสิ่งที่เราชอบก็แบบเดียวกันนะคือไม่มีลกไม่มีชัางอันไหนก็เอาหมดไอ้ที่เรารังเกียจก็เอาไอ้ที่เราชอบก็เอาเอามาทั้งนั้นแน่แล้วหนจาจยมันก็เลยไม่ทุกข์เลย ปฏิบัติผิดทำก็เลยมาสอนอแต่ก็ดีแล้วปฏิบัติถึงขั้นทำมาสอนก็ถือว่าช้ไดแล้วสาธุาธาธาการาโยมหรือว่าโยมปฏิบัติอะไรผิดคนไหนก็ปฏิบัติที่ผิดก็คือจะเลือกเราขั้ที่ชอบอันไหนที่ไม่ชอบเราก็จะทําลายมันได้หมดค่ะ เราไม่อยากให้คิดถึงผัวไม่อยากคิดถึงลูกไม่อยากคิดถึงอดีตไม่อยากคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราบล่อวิรกรรมพุโทโธไปด้วยความไม่อยากไม่อยากไม่อยากนั่นแ่ละมันก็มีแต่ความทุกข์สะกดไว้จนเครียดหมดเขาเลยให้นั่นแหละให้มาชอบหน้าที่ช้างนัเนแหละบาทีเราไม่ชอบไม่ชอบถ้าเราชอบมันได้เนะี่มันก็เลยเอากลายเป็นว่าอ้ที่เราช้างก็เอา ไอหน้าที่เราจ้างก็เอาไอหน้าที่เราชอบก็เอาเอามันต้องสองหน้าเหมือนต้องบูทาว่าใจามันก็ไม่ทุกเลยหมดทุกค่ะบูทาว่าตาทุกน ะ, ะ, ะเดี๋ยวมันลุ้นเนี่ยแหละใกล้ๆอย่างเงะวันนี้มีต่เวทนาปวดขาครับก็เลย รีบไปหาอะไรทานแล้วก็ทานยาก็ค่อยดีขึ้นอย่างยังไม่มีปัญหาอะไรถามดวงตาครัก็เป็นอย่างประเข็มนั่นแหละทศสังเกตได้ดูว่สังเกตได้ดีก็ยังเป็นอย่างี้ประเข็มที่ทาํามันปรากฏได้น่ะ ไม่ชอบในสิ่งที่ชั่งเลยน่ะอาการใดหรือหรือมันกิริยาการใดๆที่เราเนี่ยไม่ชอบมันเราจะแอวหน้าที่ชอบอันนี้ถ้าเราไม่รังเกียจหน้าที่เราเนี่ยไม่ชอบมันน่ะเราก็จะพ้นจากทุกข์ได้อ่านใจเราเองให้ขาดวันที่ทำมาประกอบสอนประเข็มนั่นแหละพอเราสามารถ ไม่รังเกียจหน้าที่ไม่ชอบได้เราก็จะพ้นจากทุกข์ได้เพราะไอ้หน้าที่ชอบเราชอบมันอยู่แล้วหน้าที่มันโปรง่งมันโล่งมันเบามันสบายสบายเนื้อสบายตัวเบากายเบาใจเราชอบมันอยู่แล้วหน้านั้น่ะแต่เรารังเกียจหุดหงิดลำคาญใจหน้าที่ฝั่งตรงข้ามแต่เราเนี่ยชอบหน้าที่ช้างได้แสดงว่ามันไม่มีชอบไม่มีชังแล้วเพราะว่ามันชอบทั้งสองหน้าคือเอาหมด อดีชังก็เอาอดีชอบก็เอาเอาหมดเลยแสดงว่ามันไม่มีชอบไม่มีชางแล้วมันเสมอกันไม่มีรักไม่มีเกียรติอันนี้ก็แสดงว่าในใจเราเสมอกันแล้วก็จะพ้นทุกข์ได้ไปเกตดูนะไปเกตนะทุกข์ที่าไบยังไงครับก็เพียนเพียนรู้ละปวางอยู่ครับหลังจากที่ลองอดนอนดูแล้วรู้สึกว่า ตัวสตินะครับตัวสติจะแข็งแรงดีครับแต่ยังมีบางช่วงที่ไม่ไม่ทันไม่ทันความคิดครับที่ที่ที่สังเกตได้ได้นะครับอปวางให้หมดนะเพราะทีละยังพยายามต่อสู้จะไปเอาอะไรอยู่ในจิตของตัวเอง ยังยังมีการต่อสู้ในจิตของตัวเองคือพยายามทำพยายามรู้พยายามเห็นพยายามรับปล่อยวางเพื่อจะไปเอาอะไรครับครับเห็นอยู่ครับเอตัวนี้วางหมดแล้วไม่มีไม่มีผู้จะไปเอาอะไรวางหมดครับนี่นี่ยังมียังมีการรู้ลัปล่อยวางการพยายามพยายามเพื่อจะไปเอาจะมีตัวเราจะไปเอาอะไรนะวางเลยวางหมดมันก็ไม่มีอะไรเลยวางแล้วก็เบาสบายเลย ไม่มีเราจะไปเอาอะไรวางตัวเราจะไปเอาอะไรวางหมดเราจะเบาสบายเรามีใครสงสัยอะไรไหมเจียดาวการละมัส ก, กายค่ะหลวงตาอยู่ในช่วงระหว่างทำความเพียรอยู่ค่ะแต่เมื่อเช้าที่หลวงตาสอนทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ภายในก็พิจารณากายอยู่ทีนี้มันมีแบบแว็บขึ้นมาตอนที่หลวงตาพูดถึงเพลงบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเหมือนมันปิ้งขึ้นมาว่าอ๋อไอ้ที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าเรามัม ว, วิ่งไปเที่ยวอยู่บ้านคนอื่น แล้วไปช่วยคนอื่นเขาจัดบ้านนะคะแต่ว่าเราไม่ได้จัดปัดกวาดเช็ดถูฝุ่นที่เปรียบเสมือนกิเลสหรืออารมณ์เนี่ยในจิตใจของเ ร, เราก็เลยว่าที่ดวงตาให้พิจารณากายเนี่ยเมื่อกายกับใจมันอยู่ด้วยกันมันก็ไม่ไปส่งจิตออกนอกค่ะ Mm hmm. แล้วก็ทำให้รู้ว่าอ๋อที่หลวงปู่ดุลที่หลวงตา เ, เทสสอนหลวงปู่ดุลที่บอกว่าจิตส่งออกเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะ mm hmm. แล้วก็เลยคิดว่าที่ mm hmm. เราไปเห็นแต่อาการคือเราไปเห็นผลของมันก็คืออาการที่เป็นอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ แล้วมองย้อนกลับไปดูที่เหตุของมันมันทำให้รู้ว่าเหตุที่เป็นเพราะเหตุที่เราไปยึดไปยึดถือไว้เมื่อมีการยึดหรือว่าจิตส่งออกมันก็มีผลทำให้เกิดทุกข์อะค่ะแต่ช่วงที่จิตส่งออกเนย่ะ มันเร็วมากก็อย่างนั้นแหละปฏิบัติกันส่วนใหญ่ก็อย่างเงี้ยมันไปช่วยแต่เขาขวาดบ้านคนอื่นบ้านของตัวเองคือใจตัวเองไม่กวาดไม่เก็บกวาดยุ่งมุ่นวายแต่เรื่องของคนอื่นไปเฉยเขาคิดคิดแทนเขาวงใยไปหมดอะ แต่บ้านของตัวเองก็ไม่กวาดไม่เก็บไม่เช็ดไม่ถูคือใจของตัวเองอ่ะไปช่วยเก็บกวาดเช็ดถูแต่บ้านของคนอื่นบ้านลูกบ้านหลานบ้านผัวบ้านเมียบ้านพ่อแม่บ้านลูกบ้านหลานบ้านญาติพี่น้องแต่บ้านตัวเองคือใจของตัวเองก็ไม่เก็บกวาดเช็ดถูเลยเดี๋ยไหนเขาต้องบอกว่าส่งจิตออกนอก วินาเนความไม่เที่ยงของร่างกายจิตใจของตัวเองวินายความไม่เที่ยงไม่มีรายยึดมั่นถือมั่นได้วินาเข้าเห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงร่างกายก็ไม่เที่ยงจิตใจก็ไม่เที่ยงใจก็ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวไม่มีไม่อาจจะยึดถืออะไรได้ มินิทานของเซนเรื่องทีละมินิทานของเซนเรื่องที่ว่ า, วาเวรหลางเนี่ยไปเป็นเด็กตำข้าวในโรงครัวประสังคาญนายกองที่ห้าแล้วมันจะจะไม่ผิดเป็นอาจารย์ก็ให้ลูกศิษย์ทั้งหมดไปแต่ง หลักธรรมชั้นสูงสุดแสดงถึงความพ้นทุกมาใครแต่งได้ก็จะให้บาดจีวรที่สืบตกทอดกันมาตั้งแต่พระมหากัสสปะที่ว่าเป็นจีวรของพุทธเจ้าที่พุทธเจ้ากับพระมหากัสสปะได้ได้แลกเปลี่ยนกันใช้เป็นจีวรของพุทธเจ้าเนงที่ตกทอดมาจากพระรกัสสปะก็คือจีวรของพุทธเจ้าเนงก็มีชินชาว ลูกศิษย์เอกไปแต่งเขียนไว้ที่ข้างข้างทางเดินข้างฝาข้างทางเดินไม่กล้าไปส่งอาจารย์เขียนไว้ว่ากายเปรียบเหมือนต้นโพใจเปียบเหมือนกระจกกายเปียบเหมือนต้นโพใจเปรียบเหมือ น, น, น, นกระจกเงาสองหน้ามันเช็ดถูอยู่ตลอดเวลาปุ่นเกาะไม่ได้ ทั้งพระทั้งโยมก็เอาหลักธรรมอันนี้ไปท่องขใหญ่ก็าเรียกสโลกเอาไปท่องกันว่ากายเปียบเหมือนต้นโพใจเปียบเหมือนกระจกเงาส่องหน้ามันเช็ดถูอยู่ตลอดเวลาคุณเกาะไม่ได้เขาก็บอกว่าเป็นสุดยอดเลยเป็นสุดยอดของหลักธรรม แต่ชินเชาแต่แต่เว่ยหลางเนี่ยที่เป็นเด็ก่ล่องครัวทำงานในโรงครัวได้ยินเขาท่องการเติอนเองไม่ได้เรียนหนังสืออ่านหนังสือไม่ออกแต่เวยหลางเป็นผู้ที่บิบุญวาสนาบา ร, รมีมากสร้างไว้แต่ปางก่อนบอกว่าไม่ได้แล้วอย่างนี้จะต้องไปแต่ง ก็เลยไปให้ไปอ้อนวอนให้คุณผู้เฒ่าที่เขาเขียนหนังสือได้ช่เขียนได้หน่อยเขาก็พยายามเขาก็ไม่ยอมจะเขียนให้จกระทั้งไปอ้อนวอนบ้าเขาก็ เ, าเลยเขียนให้ว่าเจ้าจะเขียนอะไรก็เขียนว่าเอาจะเขียนให้ก็เลยเขียนว่าถ้ากายไม่มีกระจกเงาส่องหน้าไม่มีใจไม่มี แล้วฝุ่นลอองคือกิเลสจะเกาะ อ, อะไรที่าเข้าใจไหมแล้วยังจะมีผู้ที่จะพยายามกระทำอะไรเพื่อจะไปเอาอะไรเพื่อให้เป็นอะไรอยู่อีกไหมในเมื่อกายก็ไม่มีกระจกเงาใสก็ไม่มีกายต้นโพก็ไม่มีเพราะว่าท่านแรก ชินชาวแต่งว่ากายเปรียบเหมือนต้นโพใจเปรียบเหมือนกระจกสองหน้ามันเจ็ดถูอยู่ตลอดเวลาปุนก็เกาะไม่ได้มันรู้เท่าทันตลอดเวลากิเลสก็เกาะไม่ได้แต่เว้ยลงังเป็นผู้มีบุญวัฒณาบารมีประปากาก่อนต้อนท่านที่ยังเป็นเด็กแล้วก็อ่านหนังสือไม่ออกแต่งว่า ถ้าต้นโพไม่มีกระจกเงาไม่มีกายไม่มีใจไม่มีแล้วคุณคือกิเลสจะเกาะอะไรตอนหลังเวยหลางไี่ได้กลายมาเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเซนมีลูกศิษย์ลูกหามมากมายตอนหลังก็เวยหลางมามีหลานชื่อวงโปก็ดังเอง เพมที่มที่มาของคําคมที่ว่าคนโง่ชอบหลีกหนีปรากฏการชอบหลีกหนีปรากฏการในภายนอกและภายในใจของตัวเองก็คือหลีกหนีอาการหลีกหนีสภาวะต่างๆที่ตัวเองไม่ชอบใจคนโง่ชอบหลีกหนีปรากฏการ แต่คนฉลาดหลีกหนีความคิดปรุงแต่งของตัวเองคนโง่ชอบหลีกหนีปรากฏการ์หลีกหนีอาการที่ไม่ชอบใจไปหาอาการที่ชอบใจหลีกหลีกหนีใจที่ไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายกายไม่เบาใจไม่เบาจะเอาแต่กายเบาใจเบา หลีกหนีสิ่งที่ไม่ชอบใจไปหาสิ่งที่ชอบใจเนี่ยท่านว่าเป็นคนโง่มีพระอรหันตะาเดียสรงในเมืองไทยก็เอามาพูดเอาเอาคำเนี่ยมาใช้แต่คนฉลาดเนี่ยจะหลีกหนีความคิดปรุงแต่งของตัวเองฟังให้ดีนะเก๋ ปฏิบัติแบบคนโง่หรือปฏิบัติแบ บ, แบบคนฉลาดเดี๋ยว อ, อุ้มไม่ตกกันบ้านไว้เนี่ยครับนรัสการหลวงตาครับก็เมื่อคืนนั่งอ่านหนังสือทําความเข้าใจครับก็ดูเข้าใจมากขึ้นแล้ววันนี้จะทำ ค, ความเพียรเอาความเข้าใจที่ได้จากหนังสือมา ปฏิบัติครับแล้วที่พูดในวันนี้เข้าใจไหมเข้าใจครับม า, าไปปฏิบัติครั บ, รบทำความเปลี่ยนกันครับมีใครสงสัยอะไรไหมจีลาเนี่ยจำนิทานเซนสองเรื่องให้ดีตะกายไม่มีกระจกไม่มีแล้วฝุ่นจะเกาะอะไร กายก็ไม่มีใจก็ไม่มีฝุนคือกิเลสจะเกาะ อ, อะไรแล้วจะมีใครพยายามพยายามทำอะไรเพื่อจะให้ใจไปถึงอะไรพอใจก็ไม่มีมีแต่ชื่อแต่ไม่มีตัวใจมีแต่ชื่อว่าใจแต่ตัวตัวตนของใจไม่มีตัวใจไม่มีแล้วจะพยายามพาใจไปหาอะไรจะไปให้ถึงอะไรให้ไปเป็นอะไร จะเอาใจไปเอาอะไรเพราะใจก็ไม่มีตัวตนัดติกา ว, ว่าถ้าต้นโพไม่มีกระจบไม่มีใจก็ไม่มีกายก็ไม่มีใจก็ไม่มีแล้วฝุ่นคือกิเลส จ, จะเกาะอะไรท่านเข้าถึงใจที่ปราศจากตัวตนมีแต่ชื่อว่าใจแต่ไม่มีตัวใจนั่นแหละคือใจ มีแต่ชื่อว่าใจแต่ไม่มีตัวใจไม่มีกิยาการของใจนั่นแน่คือใจแล้วจะพยายามจะเอาใจไปถึงอะไรเพราะมันไม่มีตัวใจแล้วจะพาใจไปถึงอะไรเราจะพาใจไปได้อะไรพอมันมีแต่ชื่อ ชื่อว่าใจหรือชื่อว่าจิตแต่มันไม่มีทั้งตัวจิตและไม่มีทั้งตัวใจดังนั้นใครที่ปฏิบัติเอาใจของตัวเองไปแช่อยู่ที่เบาสบายอะถ้าใจไม่มีตัวตนเราจะมีอะไรไปแช่มันมีแต่ชื่อว่าใจหรือมีแต่ชื่อว่าจิตแต่ตัวตนของมันไม่มีล้วจะเอาอะไรไปแช่ ไปทำเหมือนกับอะไรนะปลาแช่น้ำปลาแล้วก็จะไปทอดเอหลงตาครับขออนุญาตครับผมอ่านหนังสือจบที่ใจเนี่ยผมมานั่งลึกถึงคำหลองตาว่านักรบที่รบชนะจะมาเอาคำพิเศษเนะี่ยผมชอบบทนี้ตรงที่ว่าเปิดไปมีแต่กระจก เปิดไปครั้งหน้าสุดท้ายมีแต่ความว่างเปล่าถ้าคนปฏิบัติแล้วผลสุดท้ายเหลือแต่ความว่างเปล่าผมว่าอันนั้นจะบรรลุบรรลุแล้วใช่ไหมครับว่างเปล่าจากความมีใจไม่มีตัวใจคือตัปไปพบ<ะ>ว่าใจไม่มีตัวตนไม่ใช่ว่าไปเอาใจเป็นรู้สึกว่าง อย่างที่โยมโยมที่สะพายชื่ออะไรนะอะ <Okay. S 1> โยมเล็กเนี่ยโยมเล็กเนี่ยไปไ ป, ไปขอจะไปแช่ว่างเอาใจไปอยู่กับความว่างไปแช่ว่างไปจับความว่างแต่บุตรเจ้าพาระน้งหลายท่านเข้าไปถึงความไม่มีตัวใจมิแต่ชื่อว่าใจหรือมิแต่ชื่อว่าจิตจไม่มีตัวตนของมันไปพบความจริงจึงไม่ได้อะไรเลย เพราะว่าไปเพียงแค่พบความจริงว่าใจหรือจิตไม่มีตัวตนกั่นั้นเองจึงเหมือนกับว่าถ้ากายเปียกเหมือนต้นโพใจเปียกเหมือนกระจกงเงาหมันเช็ดถูอยู่ตลอดเวลาผู้ ล, ลองคือกิเลสเกาะไม่ได้แต่พระเจ้าประลานังหลายเข้าไปถึงความจริงว่าจิตหรือใจแท้ๆไม่มีตัวใจจึงไม่มีอะไรเกาะ แล้วไม่อาจเอาอะไรไปเกาะไปยึดอะไรได้สิ้นตัวตนของผู้ยึดแค่นี้เองสิ้นจะ่จะเยาใจไปยึดอะไรและไม่มีอะไรมายึดใจได้เพราะไม่มีตัวใจไม่มีตั ว, จ, ตวจิตเข้าถึงความจริงตรงนี้ด้วยใจของตัวเองไม่ใช่ได้ควได้ความจำแต่เข้าถึงมันด้วยใจจริงๆพระองค์ก็เลยสิ้นยึดพระหลานทั้งหลายก็สิ้นยึดสิ้นยึดอันเดียวคือ เหตที่ยึดเพราะว่าไม่มีตัวใจที่จะไปยึดไม่มีตัวจิตที่จะไปยึดหรือไม่มีตัววิญญาณแท้ๆวิญญาณแท้ๆหรือจิตแท้ๆหรือใจแท้ๆหรือวิญญาณดั้งเดิมแท้ๆจิตดั้งเดิมแท้หรือใจดั้งเดิมแท้ไม่มีตัวตนเราไม่อะไรเลยที่เหมือนกับบอกว่ากายไม่มีกระจกไม่มีและปุ่นคือกิเลสจะเกาะอะไรแม่ไหนเข้าตอนเข้าถึงมันได้ใจจริงจริงประสาทจัด ตัวจิตหรือวิญญาณหรือตัวใจจึงไม่มีอะไรมามาค้างอยู่ในใจได้ไม่มีอะไรมาค้างอยู่ในใจและไม่ไม่สามารถเอาใจไปยึดอะไรให้เป็นทุกเป็นกิเลสและความทุกข์ได้ทั้งไม่มีอะไรมาค้างอยู่ในใจและไม่อาจเอาใจหรือจิตหรือวิญญาณเนี่ยไปยึดอะไรได้สิ้นยึดก็สิ้นกิเลสสิ้นทุกเรีย ก, กว่าบรรลุนิพพานอย่างที่ว่า มีผู้ถตถาพุทธเจ้ายังได้นำพระพุทธเจ้ามศห า, ศาสตัตตะโลกก็มีที่ว่ามีผู้ตาถาพุทธเจ้าว่าเมื่อที่สุดแล้วพระองค์ปฏิบัติมาจนบรรลุพุทธเจ้าแล้วพระองค์ได้อะไรบ้างยอมสละทุกอย่างมาหมดเลยยอมสละลรัตเจริญพลังสละลูกสละเมีย ม, มาหมดสละทุกอย่างเลยความสะดวกสบายทุกอย่างพระองค์ได้อะไรบรรลพุทธเจ้าที่สุดแล้วพร อ, องคได้อลไรพระองค์บอกว่าไม่ได้อะไรเลย ความเป็นบรรลุถึงสูงสุดเรียกว่าปัญญาขั้นสูงสุดรู้แจ้งแล้วคือไม่ได้เลยเลยเพราะไม่มีผู้ได้จึงไม่มีใครได้ไเลยขอ พ, พบความจริงอันนี้เองไม่ได้ไเลย